ลองทำความรู้สึกเอาร่างกายของเราเอาจิตใจของเราเป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธพธรรมพระสงฆ์เป็นโอกาสสุดท้ายเพราะมันเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะมีโอกาสได้มานั่งปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่พระพุทธองค์ ทรงทำพุทธกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนของพระองค์บูชาคุณของพระองค์หลายอย่างเนี่ยตั้งแต่พระเมตตาคุณของพระองค์บูชาตั้งแต่ที่พระองค์เสียสละเลือดเนื้อชีวิตวิญญาณอุทิศให้แก่การแสวงหาโมกะธรรมแสวงหาทางดับทุกข์ด้วยพระองค์เอง ทุ่มเทพวโลกกายกำลังกายกำลังจิตใจทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตของพระองค์เรียกว่าสละได้แม้กระทั่งชีวิตทุ่มเทเพื่อสแสวงหาทางดับทุกขเพื่อค้นคว้าทางดับทุกจนกระทั่งพระองค์สามารถดับทุกภายในพระไทยของพระองค์ได้อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเราซึ่งเป็นสาวกของพระองค์ ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำดําเนินมานั้นน่ะเราเข้าใจเราทราบซึ้งในความภาพเพียรพยายามความอดทนของพระองค์แล้วก็จะน้อมนำเอาการกระทำของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติตามก็จะพยายามเลื่อยไปได้ขนาดไหนก็จะพยายามเลื่อยไปจะพยายามเต็มกาลังสติปัญญาความสามารถ จะพยายามประพฤติปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างที่พระองค์ทรงกระทำบาเพ็ญมาแล้วอีกประการหนึ่งเราก็มีความเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระองค์นั้น่ะต้องเป็นสิ่งประเสริฐอย่างแน่นอนทำเหล่านั้นสามารถชาระจิตใจของพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็มีความเชื่อมั่นว่าทำเหล่านั้น ก็สามารถทำให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ได้ขนาดเรามาเพียงไม่กี่วันเราก็ได้สัมผัสกับความสงบสัมผัสกับการที่สังขารที่มันเคยรบกวนจิตใจของเราเนี่ยมันเบาบางลงไปมันจางคลายไปแสดงว่าสิ่งที่เป็นค่าศึกศัตรูภายในจิตใจของเราอะ่ะมันเกิดได้ แล้วก็ดับได้มันเกิดเองต้องดับไปเองเพียงแต่เราอาศัยทางดำเนินที่พระองค์ทรงดำเนินมาหรือว่าอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประทานเอาไว้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามแค่เราประพฤติปฏิบัติตามตามกำลังความสามารถของเรา เราก็มีความมั่นใจมีความซาบซึ้นภายในจิตใจเพราะความทุกข์ภายในจิตใจของเรามันน้อยลงไปจริงเราพบความสุขความสงบความสบายเราพบความรื่นเริงบันเทิงในจิตใจจริงอันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยเป็นอุทาหรณ์ทำให้เราเนี่ยมีกําลังใจ ทำให้เรามีความมั่นใจว่าเราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคนหนึง่งเราต้องสามารถปฏิบัติได้เราต้องสามารถทำได้เราทำมาได้แค่นี้ในวันนี้เราก็พอใจต่อต่อไปถ้าหากว่าเราขวนขวายแล้วเราพยายามทําต่อไปอีกเราก็มั่นใจว่าความทุก ภายใ น, ในใจิตใจของเราต้องจางคลายไปต้องลดลงไปต้องน้อยลงไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นการมาของเราจึงมีคุณค่าต่อใจิตใจของเราเองในเมื่อพระพุทธเจ้า มีคุณอันประเสริฐต่อชีวิตของเราเห็นต่านี้เราจึงขอหนอบน้อมพระองค์ด้วยการสำรวมจิตใจด้วยการชำระจิตใจไม่ให้มีอารมณ์ใดๆเข้ามาเคลือบแฝงอยู่ในจิตใจของเราด้วยการชำระจิตใจของเราให้มีความสงบระงับให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ตามฐานะตามสภาพของเราเอง เมื่อเราสำรวมจิตใจเข้ามาแล้วสติของเราก็มีกำลังขึ้นมาอารมณ์ใดผ่านมาในเมื่อเราไม่เคลอไปตามเราไม่คล้อยตามเราไม่ไหลไปตามอารมณ์นั้นก็จะดับไปเมื่ออารมณ์ดับไปจิตของเราก็ชื่อว่าได้ชำระแล้วสังขารที่เกิดขึ้น ไม่สามารถปรุงแต่งจิตเราได้แล้วในเมื่อสังขารดับไปแล้วจิตของเราก็อยู่ตามลําพังก็อยู่ตามธรรมชาติส่วนร่างกายนั้นเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเพราะเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขานานมาแล้วเขาดำเนินไปตามธรรมชาติของร่างกายเรียกว่าเป็นธรรมชาติฝ่ายรูปถ้าหากใจเรา ยอมรับความจริงตรงนี้ได้หรือว่าใจของเราเนี่ยสามารถยั่งเข้ามาเห็นความจริงตรงนี้ใจของเราก็เชื่อว่าได้ชำระใจด้วยอำนาจ แห่งปัญญาด้วยอำนาจแห่งธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจา้าเราเอามาประพฤติธปฏิบัติแล้วทำให้จิตของเรามีกําลังจิตของเรามีพลังจิตของเรามีปัญญายามจึงสามารถรู้ได้ด้วยจิตเองว่าร่างกายเนี่ยเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งเรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นอันนี้ในขณะที่ปฏิบัติเราต้องพยายามให้ชัดคือให้ เข้าใจสภาพความจริงอันนี้ แต่เวลาที่เราออกจากการปฏิบัติแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราควรเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนอย่างไงเราก็เกี่ยวข้องไปตามฐานะตามสภาพของเราแต่ถ้าการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันของเราถ้าหากว่าเราเอาธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ชื่อว่าเราก็กําลังปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนกันนั่นก็คือพยายามมีสติพยายาม ที่จะสัมรวมจิตใจพยายามระมัดระวังจิตใจให้ใจของเราอยู่ในอำนาจของสติอยู่ในอำนาจของความรู้สึกตัวจิตของเรามันเป็นธรรมชาติที่สามารถสุดผลอบรมได้พระพุทธเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าจิตที่มีศีอลอบรมแล้วเนี่ยมีผลใหญ่มีอาวิทรงใหญ่ นั่นก็คือเรามีความสำรวมเรามีความระมัดระวังให้จิตของเราอยู่ในสภาพปกติเนี่ยคำว่าศีลก็คือการสำรวมใจเราทำให้จิตใจของเราอยู่ในสภาพปกติเราทำอะไรอยู่ก็ตามสำรวมจิตใจระวังจิตใจให้อยู่ในสภาพปกติใจของเราก็เป็นศีลขึ้นมาถ้าหากว่าเราไม่สำรวม จิตของเรามันรวดเร็วเดี๋ยวมันก็ไหลไปทางนั้นไหลไปทางนี้เดี๋ยวอารมณ์ต่างๆก็เข้ามากุ้มลุมจิตใจของเราเข้ามาหุ้มห่อจิตใจของเราใจของเราก็ไม่เป็นอิสระใจของเราไม่เป็นตัวของตัวเองใจของเราถูกอารมณ์ต่างๆครอบงำ เมื่อถูกอารมณ์ครอบงำแล้วใจของเราก็เป็นตกเป็นทาสของอารมณ์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอารมณ์ทั้งหลายนี่แหละอารมณ์เหล่านั้นก็เลยกลายเป็นเรากลายเป็นตัวเรากลายเป็นจิตใจของเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่จิตของเราต้องเป็นจิตจิตของเราจริงๆเมื่อได้รับการชำระแล้วต้องเป็นจิตที่เป็นอิสระจิตที่มีความผ่องใส จิตที่ไม่มีอารมณ์ใดๆเข้ามาครอบงำถ้าเรามีสติสำรวมจิตใจอยู่อย่างนี้อารมณ์ต่างๆถึงมันจะผ่านเข้ามามันก็ผ่านไปถึงมันจะเกิดขึ้นก็ดับไปมันโผล่มาเอง มันต้องดับไปเองเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเรายังยังเข้าไปไม่ถึงสัจธรรมอันนี้จิตของเราก็จะไม่เข้าใจตรงนี้แต่ถ้าหากว่าจิตของเรามันเข้าใจตรงนี้ มันเห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาด้วยตัวจิตเองจิตรู้จิตเห็นจิตเข้าใจถึงพูดไม่ได้แต่เหมือนว่าจิตเนี่ยมันมีนมความลึกซึ้งว่าเออสิ่งไหนที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และต้องดับไปการปล่อยวางก็จะมากขึ้นในจิตใจของเราความลุ่มหลงใจยึดมั่นถือมั่นก็น้อยลงไปนี่จิตใจเราจริงจะเข้าสู่สภาวะปกติ เพราะนั้นศีลคือการสํารวมจิตใจรักษาใจเราให้เป็นปกติเมื่อเราสํารวมจิตใจรักษาใจิตใจให้เป็นปกติได้แล้วจิตเราก็มีความสงบมีความตั้งมั่นมีความแน่วแน่มีความแนบแน่แ น, แ, นแล้วจิตของเราก็จะมีพลังมีกําลังสามารถอยู่ตามลําทังของจิตได้เนื้ยการที่จิตเรามีกําลังมีความตั้งมัน่นจิตนี้จะเป็นตัวของตัวเอง มีกำลังอยู่ตามลำพังอยู่อย่างอิสระไดะ้แล้วก็มีความนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยมันมีกำลังพราะมันมีกำลังแล้วมันจะรู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงขึ้นมาทันทีอะไรผ่านมาก็ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าเราไม่ต้องพูดจิตนี่จะเห็นเองเลยเป็นขึ้นมาเองเลยไม่ว่าจิตเนี่ยจะสัมผัสกับอะไรอะไรจะก่อเกิดขึ้นทางกายก็ตามทางจิตก็ตามจะมีความแจ้งชัด อยู่ตลอดว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และต้องดับไปความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยมันแทบไม่มีเบาลงไปน้อยลงไปเบาขณะตัวตนไม่มีเลยยิ่งเบาที่สุดเลยถ้ายามไหนก็ตามเรารู้สึกว่าความเป็นตัวเราไม่มีมีแต่ธรรมชาติเท่านั้นมีสภามีแต่สภาวะธรรมตามธรรมชาติเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นถ้าจิตเนี่ยมันประจับแจ้งซึ่งความจริงอย่างนี้จิตจะเบาทันทีเลยมันเหมือนกับว่าตัวตนเนี่ยมันได้สลายไปตัวตนไม่มีตัวตนสลายไปนี่แหละการเวียนว่ายตายเกิดมันก็เลยดับไปอย่างนี้ดับไปตรงนี้ ดับไปตรงที่ว่าความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันไม่มีมันดับไปแล้วมันหมดไปแล้วมันก็เหลือแต่สภาวะธรรมตามธรรมชาติมันเหลือแต่ความว่าเนี่ยภพชาติมันจิงช่นงลงสันลงอาการที่มันจะก่อเกิดเป็นตัวเราเป็นของเรามันหมดไปมันสิ้นไปมันดับไปถ้าว่ามันรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาจะรู้สึกหนักขึ้นมาทันทีเลยก็เลยรู้สึกว่าเออ ความรู้สึกว่าเป็นตัวเรานี่แหละคือความหลงผิดมันเป็นแค่ความหลงผิดที่เราไปหลงยึดว่ามีตัวเรามีของเราเท่านั้นร่างกายมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นจิตใจก็อยู่ของมันอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติเท่านั้นเพียงแต่ว่าเราละความหลงผิดเราไม่หลงผิดไม่หลงยึดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราจิตใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ทุกอย่างก็จะหมดก็จะจบลงตรงนี้ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเนี่ยมันยังปล่อยวางไม่ได้นอกจากมันจะรู้สึกว่ามีตัวเรามีของเราแล้วไอตัวตนเนี่ยมันขยายออกไปได้ตัวว่าเกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เป็นของเราขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมาเวลามันไม่ได้ดั่งใจเรา ไม่ตรงกับความรู้สึกความปรารถนาของเราเราจะรู้สึกเจ็บปวดเราจะรู้สึกบีบคั้นเราจะรู้สึกทุกข์ทรมาร น, นี่แหละคืออาการที่ตัวตนน่ะมันขยายตัวออกไปแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมันก็มีตัวตนก่อเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นกลายเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาความทุกข์ก็เลยขยายตัวความทุกข์ก็เพิ่มดีกรีมากขึ้นนอกจากว่า เราอาศัยทางของพระพุทธเจ้าอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติให้ตรงทางให้ถูกทางแล้ว ผลของการปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้ความทุกข์น้อยลงไปเองความหลงผิดที่คิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันลดลงไปได้เพราะฉะนั้นให้เราชำระใจการบูชาพระพุทธเจ้าก็คือปฏิบัติทมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็คือวางใจให้ตรงกับภาพประสงค์ของพระพุทธเจ้าในเมื่อตัวเราที่แท้จริงไม่มีของเราที่แท้จริงก็ไม่มีด้วยมันไม่กิรังยั่งยืนไม่ถาวรเพราะฉะนั้นในขณะที่ปฏิบัติเราต้องวางใจให้มันตรงส่วนออกมาแล้วถ้าเราวางใจได้ถูกต้องเวลามาเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเราจะเกี่ยวข้องได้ดีเกี่ยวข้องได้ด้วยความเหมาะสมเกี่ยวข้องได้โดยที่เราไม่เป็นทุกข์ ในเมื่อเกี่ยวข้องได้เหมาะสมได้เหมาะควรถูกต้องลงตัวทุกก็จะน้อยลงไปด้วยถ้าเราเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องมันจะเกิดทุกข์ตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราสำรวมจิตใจบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้มานั่ง อยู่ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาด้วยพระเมตตาคุณอันเปี่ยมล้นภายในพระทัยของพระองค์ด้วยหวังให้สิ่งที่พระองค์ค้นพบให้สิ่งที่พระองค์ทรงกลับรู้ให้ทางที่พระพุทธเจ้าสามารถดับทุกข์ได้แล้วเป็นทางดําเนินไปของสาวกของพระองค์เช่นเดียวกันมันเป็นพระเมตตาคุณ อันสูงยิ่งเป็นความเพียรพยายามของพระองค์อย่างมากเพราะพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิภิกขะยาแล้วต้องเดินทางมายังสถานที่นี้แล้วก็ได้แสดงธรรมตรงนี้ในวันอาสาฬหาบูชาคือวันเพ็ญเดือนแแสดงพระธรรมจนกระทั่งสาวกของพระองค์สามารถบรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงจํำพรรษาที่นี่บำเพ็ญพุทธกิจ อยู่ตรงนี้หนึ่งรรษาพอออกภรรษาแล้วพระองค์จึงสั่งเทียสาวกของพระองค์ว่าให้พวกเราออกไปประกาศคมมจันจรรย์เพราะว่าเราเวนยสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยพอที่มีพอมีปัญญาที่จะรองรับคำสอนของพระองค์ยังมีอยู่ถ้าหากว่าสาวกหรือพวกเราไม่ช่วยกันไปเผยแผ่คำสอน ไม่ไปช่วยกันประกาศทางดำเนินไปอันประเสริฐก็จะทำลายโอกาสของเวนยศัตร์เหล่านั้นเพราะนั้นทางสายหนึ่งให้ไปองค์เดียวอย่าไปซ้อนกันนี่คือพระไทยที่เต็มไปด้วยพระเมตตาขุนพระกรุณาธิคุณพออยากให้ประกาศธรรมจันได้กว้างขวางได้อย่างเต็มที่ แม้พระ อ, องค์ก็ไปองค์เดียวเหมือนกัน <Okay. S 1> พระ อ, องค์ก็เสด็จไปยังอุลุเวลาเสนานิไปโปรดสามกของพระ อ, องค์ ต่อต่อไปนี่แหละในเมื่อเรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีแต่เรื่องราวของพระพุทธเจ้ามีแต่คุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงกระทําบำเพ็ญต่อสัตว์โลกทั้งหลายให้เราน้อมนําเอาคําสอนของพระองค์เอาการปฏิบัติของพระองค์เข้ามาสู่ใจเราเอาพระองค์เป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบอย่างแห่งการดําเนินชีวิตของเรา เพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นมันประเสริฐขึ้นมันสูงขึ้นแล้วเราจะรู้สึกเหมือนว่ามีพระองค์อยู่ในใจเหมือนกับว่าเราใกล้ชิดกับพระองค์อยู่ทุกขนาดจิตทำไมจึงใกล้ชิดกับพระองค์เพราะเราปฏิบัติตามคาสอนของพระองค์เพราะเราทำตามทางที่พระองค์ทรงพาดาเนินมาทุกขนาดจิต จึงเหมือนกับว่ามีพระองค์อยู่ในใจเวลาเรามีความทุกข์มีปัญหามีความเดือดร้อนในใจเราก็ทำความรู้สึกเหมือนว่าเราปรึกษาพระองค์สมมุติว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่สมมุติว่าพระองค์เนี่ยกำลังรับฟังปัญหาของเราอยู่สมมุติว่าพระองค์มีล่วงรู้ วารกิจของเรารับรู้ปัญหาของเราพระองค์จะทรงว่าอย่างไรพระองค์จะแก้ปัญหาอย่างไรพระไทยของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วพระองค์ต้องยกธรรมขึ้นมาพระองค์ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องชอบธรรมเท่านั้นเราก็ต้องพยายามซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อความถูกต้องชอบธรรมยืนหยัดอยู่บนความ ถูกต้องชอบธรรมอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมคือความถูกต้องการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีธรรมะเป็นปฏจจัมีธรรมะเป็นสาระสมกับที่พระองค์ให้เราอย่ามีอย่างอื่นเป็นปัจจัยอย่ามีอย่างอื่นเป็นสาระเลยถ้าเรามีธรรมเป็นสาระความทุกข์จะต้องน้อยลงไปปัญหาต้องลดลงไปการดําเนินชีวิตของเรา ก็จะต้องดีขึ้นประเสฐขึ้นอย่างแน่นอนชีวิตของเรายังเหมือนเดิมนั่นแหละยังมีครอบครัวยังมีหน้าที่การงานแต่วิถีชีวิตทางดําเนินของชีวิตนั้นเปลี่ยนไปเพราะเราได้นําเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาฝังลึกไว้ในจิตใจของเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นปัวทีทางดําเนินของชีวิตเราแล้วเรียกว่าเอาธรรมะเป็นแสงสว่างให้จิตของเราดําเนินไป เราก็จะดําเนินไปบนเส้นทางแห่งพระธรรมคําสอนของพระองค์เราจรึงจะมีที่พึ่งทันประเสริฐาหากว่าเราไม่น้อมนาเอาธรรมะของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติเราจะเคลงคว้างทันทีเลยเราจะรู้สึกงวยงงไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจะรู้สึกมึนงงแล้วก็จะรู้สึกอ้างว้างว้าเวจะรู้สึกเงียบเหงา ไร้ที่พึ่งแม้พระองค์อุบัติขึ้นมาก็ตามทรงประทานคําสอนเอาไว้ดีงามประเสริฐขนาดไหนก็ตามมีพระอริยสงฆ์อยู่เต็มโลกก็ตามถ้าเราไม่น้อมนําเอาคําสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่มีที่พึ่งเพราะจิตใจของเรามันชอบไหลไปตามอํานาจของกิเลสตามอํานาจของตัณหาตามอํานาจของความหลงมีเพียงธรรม ของพมุทธเจ้าเท่านั้นจึงใส่ สามารดึงใจเราให้กลับมามีเพียงธรรมะของพระพุทธเจ้าแถวนั้นที่จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนำพาจิตใจของเราให้เดินถูกทางตรงทางได้เหมือนกับคนที่กำลังหลงทางหลงวนเวียนไม่รู้จักว่าจะเดินไปทางไหนบัดนี้เราพบทางออกแล้วพบทางดําเนินไปแล้วเราจะไม่ยอมเสียเวลาแสวงหาทางอื่นอีกเราจะไม่เสียเวลาย้อนกลับ ไปในทางที่เราเคยลุ่มหลงมาอีกเราจะเพียรเราจะพยายามเดินตามทางของพระพุทธเจ้าตลอดไปเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราสามารถประกาศความในใจของเราได้เต็มที่ด้วยจิตใจที่สะอาดจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยความจริงใจกลัวเราพร้อมแล้ว ที่จะดำเนินไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ยอมปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้หลงทางอีกต่อไปจะไม่ยอมปล่อยจิตปล่อยใจให้เดินผิดทางอย่างที่เคยทำมาเราจะพยายามเดินตามทางของพระองค์ ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เราสำรวมจิตใจบูชาพระคุณยกใจของเราขึ้นมายกใจของเราให้สูงส่งขึ้นมายกใจของเราขึ้นมาให้สมกับที่เราได้เดินทางมาให้สมกับที่เราได้มานั่งปฏิบัติเพื่อบูชาพระองค์ในสถานที่พระองค์ บำเพ็ญกรณียกิจประกาศพระธรรมของพระองค์เป็นครั้งแรกพระธรรมอันบริสุทธิ์ยากดวงใจอันบริสุทธิ์ผู้เปิดเผยทายทอดมายังจิตใจของสาวกของพระองค์ที่มุ่งหวังต่อความศะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจรึงอาศัยจริงเหล่านี้เพื่อให้จิตใจของเรามีกำลังใจ เพื่อให้จิตใจเราได้ตะหนักได้สำเนียกว่าเราจะต้องพยายามให้สมกับที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติค้นคว้าแสวงหามาจนกระทั่งพระไทยของพระองค์สะอาบริสุทธิ์สติปัญญาของพระองค์สูงสุดเตียมด้วยพระกัญญาพิขุณเตียมด้วยพระบริสุทธิ์พิคุณเตี่ยมด้วยพระกรุณาเรืองสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันจึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นเครื่องเตือนใจเราเป็นหลักฐานเป็นพยาน ให้จิตใจของเราเนี่ยตระหนักจริงๆสํานึกจริงๆเราจะไม่ให้ไม่ยอมให้สิ่งไหนมาทําให้กําลังใจของเราถดถอยลงไปกิเลสความหลงมันจะมีอํานาจขนาดไหนก็ตามแต่เราจะอาศัยกําลังใจที่มีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอยา่าง ที่อาศัยพระธรรมคำสอนของพระองค์เป็นเครื่องดำเนินที่อาศัยพระอริยสงฆ์จ้าผู้ประพฤติปฏิบัติจนรู้ตามพระองค์แล้วเป็นแบบอย่างของเราต่อไปเราละํารวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้าย เจริญทตกิบุญนะตั้งใจกิบุญน ะ, นะน อ, อ, นองค์พระผูทเป็เจ้าอำน า, ออาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระรรมอำนาจพระสงฆจยงดลบันดาลบุญของ ข, องขาา้าพเจ้าจังหวะนี้เป็นผู้ปฏิบันิได้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ทปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่นี้ใน้วิญญาณทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในสถานที่ห่นี้ ให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ต้องการบุญจากาพระพเจ้าอยู่ในขณะนี้ให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ตกหักรักษาคู่ครองพระพุทธศาสนา ที่คอยเชื่อคูณพระธรรมพระพุทธศาสนาให้แก่โยมญาณทั้งหลายที่คอยช่วยเหลือผู้มาสแสวงบุญผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่ห่ง น, นี้ขอท่านทั้งหลายยินดีรับอาบุญของข้าพเจ้าโดยเทินเมื่อรับอาบุญแล้วต้องการสิ่งใดคอยสมความปรารถนาผเรื่มหน้าแ่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทิ้งในแล้วนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้ว ให้มาบบปกปักรักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเสื่อมห น, นุนข้าพาเจ้าทําสิ่งใดก็ให้มีแต่ความราบรื่อมีแต่ความส ม, ม่เสมอมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งยิ่งที่สัยเจิดชูข้าพาเจ้าเจิมมันคุณพิษบุญไปให้เลยเด จ, จากเนี้